เปรียบเหมือนอจิตเหมือนลิงนะลิงกระโดดเกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เที่ยวไปในป่าใหญ่ตัวผู้หลงนี่แหละผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่แหละที่เป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตที่ยึดวิญญาณเมื่อวิญญาณ น, นี้ดับพวก คว้าวิญญาณดวงใหม่เหมือนลิงคว้ากิ่งไม้ใหม่พอปล่อยกิ่งนี้ปุ๊บตัวมันจะร่วงจากต้นไม้มันก็คว้ากิ่งนี้ใหม่เห็นไะหไอตัวลิงนี่แหละคือตัวผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปในสังสารวัต ท, ท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่เกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้อุปมาณนี้จะมีสองสองประสูดซึ่งจะใช้บทภาชนาที่ต่างกันคนศึกษาเนี่ยจับดีๆ จะเข้าใจผิดตรงนี้นะอุปมาหนึ่งจะหมายถึงการเกิดดับของวิญญาณขันอุปมาหนึ่งจะหมายถึงการที่วิมุตต์เนี่ยท่องเที่ยวไปอันนี้คนศึกษาพุทธวินชาด้วยกันก็จะสับสนเพราะว่าคําพุทธเจ้าแลบบกันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นคำพระศาสดานเนี่ยต้องอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านซ้ําเพราะเราจะเก็บรายละเอียดไม่หมดฟังซ้ําอ่านซ้ําจะเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น เราจะเห็นเลยว่าที่พระุทธเจ้าบอกว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละเป็นยังไงนะมันลึกซึ้งมากย่มต้องอ่านหลายๆเที่ยวทบทวนไปนั้นฟังซ้ำนะท่องบทเป็นนะซ้าๆนะไม่เสียหายนะเราจะยิ่งได้ความละเอยียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ นันทิเท่ากับหลงไม่รู้ขาสติใช่ไหมใช่ใจ่ไปถามว่าคาว่าแผ่เมตตามีในพุทธเจชนะหรือไม่ครับต้นมาขึ้นประสูตรได้ดูหน่อยจ <c oughs> ัดไม้กวาเสถ่านะเพราะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยพระเจ้าให้เตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ หรืออกุศลทั้งหลายแล้วทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิ่ท1 2 3 4าแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางนะไม่มีประมาณนั่นนี่คือวิธีการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้านี่รู้สึกว่ารวบรวมไว้ให้ในนี้ด้วยนะในสาธยายธรรมนะ่หน้าสุดท้ายนะ จะเป็นการจเจริญเมตตาภ า, าวนาทมอย่างไรและอา น, นิสงส์ของการจเจริญเมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมี11ประการนะไม่ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้น จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกนี่คืออนิสงส์ประการของการแผ่เมตตาแต่การแผ่เมตตานั้นก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ถ้าโยมไม่รู้หลักในการหลุดพ้นนะพรุทธเจ้าบอกการหลุดพ้นเพราะการแผ่เมตตาทำอย่างไร เธอต้องรู้ว่าการแผ่เมตตาก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือเป็นสังกตธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเอาอริยสัจสีเข้าไปจับเห็นว่าเมตตากรุณาผูทตาอุเบกขาก็มีการเกิดการดับต้องปล่อยวางนะไม่เอาอีกอย่างนี้ถ้าอย่างเนี้ยหลุดพ้นได้นะ จากคำกล่าวของหลวงตามหาบัวที่บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแสดงว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ใช่แล้วแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็หมายถึงการเป็นพระอรหันต์นะก็เหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วไง ชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นี่เป็นการพยากรณ์พระอาหารหันต์นะซึ่งพระเจ้าตรัสว่าถ้ามีภิกษุพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของตนพระเจ้าบอกว่าเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนะให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ ก็คือให้ถามคำถามเกี่ยวกับพัรษะเกี่ยวกับขันห้าเกี่ยวกับกุปทานเกี่ยวกับมานะนะเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอายะนะภายนอกภายในดูซิว่าเขามีความเห็นอย่างไรถ้าเขามีความเห็นตามนี้พระเจ้าจะบอกหมดว่าเขาจะมีความพระหรันจะตอบเขาจะมีความเห็นต่างนี้นี้ให้ตอบว่าสาธุสาธุสาธุไปในทุกขั้นตอนนะ แล้วก็ให้บอกว่าเป็นราภของเราแล้วหนอนะอ่าที่ได้พบนะสมณะที่ดีอย่างท่านนะอย่างนี้เพราะนั้นถ้าใครถ้าใครเคยศึกษาปฏิปทาของหลวงตามหาบัว<ๆ>ก็จะเห็นว่าเป็นปฏิปทาที่พระทุกวันนี้ก็ยังทําได้ยากนะท่า น, นก็เป็นพระที่เข้มงวดในการประพฤติปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตลอด แล้วก็ธรรมะของท่านก็ถ้าใครได้เคยอ่านก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะคือแนวทางเนี่ยนะแนวทางอยู่ในกรอบของพระุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้ใช้บทพันณสาของพระุทธเจ้าทั้งหมดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าครูอาจารย์ตัวตั้งต้นเนี่ยสอนว่าให้ใช้บทพันณสัญาพุทธเจ้าอาตมาก็เชื่อว่าพระปฏิบัติทุกองค์ใช้เพราะว่าเาคารพครูอาจารย์ตัวเอง แต่เราจะถูกสอนมาว่าให้พูดเองให้บอกเองซึ่งมันเป็นการผิดผิดกันเลยไปคนละทางกับที่พู้เจ้าบอกเลยนะแต่การที่ปฏิบัติแล้วถึงมรรคผลนิพพานได้เนี่ยเพราะเป็นเหตุของการได้ปฏิบัติตามคำพระศาสดาแม้เพียงคำเดียวก็ถึงแล้วนะนั่นหลักหลักของลงตามหมาบัวคืออะไรการพิจาอาสุภา นะซึ่งอสุภะก็เป็นเรื่องที่พูุทธเจ้าสอนนะการทำสมาธินะาการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลนะการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแค่ไม่เที่ยงตัวเดียวก็สามารถถึงนิพพานได้แล้วพูพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไป อย่างสม่ําเสมอติดต่อไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาวังได้คือพระหลานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเห็นไหมขอคําเดียวอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยยอมดูคําสอนของท่านสิไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่เที่ยงจับอยู่แต่อย่างเนี้ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงใครบอกอะไรมาไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะเกิดนีิมิตอะไรขึ้นมาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงจับมันอยู่แต่อย่างเนี้ย จับประเด็นถูกกั็นไหมแล้วแต่มาก็จับประเด็นของหลวงพ่อชาถูกอีกเหมือนกั น, mm. นฟังเทพท่านบรรยายเยอะแยะจับประเด็นอะไรท่านได้ไม่เที่ยงนะ mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นเวลาสุขเกิดทุกเกิดเราก็พินาสุขก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทุกก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปสมัยเราเป็นนักเรียนเราก็ภาวนอย่างเนี้ยไม่เทีย่ ย, นนาายงไม่เทียเท่ยงก่อนภาวนาตรงนี้เราใช้อสุภาษก่อนนะ เราก็พิจารณาสุภะใช่สุภาษะมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอสุภะมันดับได้ช้าจังเลยมันยังไม่ทันใจเราอยากดับทุกข์ได้เร็วกว่านี้เราก็เลยเอ๊ะเวลาเรากลัวขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะพิจารณาเราเป็นอสุภาษะเราก็พิจารณาตัวความรู้สึกกลัวนั่นเลยว่ามันไม่เที่ยงเลยไม่ได้เลยเรามาพิจารณาเอ๊ะก็ได้เนี่ยมันดับไปเร็วดีด้วยก็เลยพัฒนาจากการพิจารณาสุภะวางเรื่องอสุภะมาพิจารณาตัวอารมณ์เลย แล้วให้เห็นความไม่เที่ยงลงไปการแปลเปลี่ยนการดับเ น, นี่ยมันเป็นลําดับขั้นมาอย่างนี้มันก็จะเร็วขึ้นดับทุกได้เร็วขึ้นพอจิตเริ่มเป็นปกติสุขทุกข์กระทบมาปุ๊บวางพอจิตเริ่มเป็นปกติ น, นานๆมีสุขทีมีทุกข์ทีเราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะสุขทุกข์มันยังเกิดขึ้นได้ยังไงอีกทั้งๆ ท, ที่เราควบคุมมันอยู่ตลอดเวลาเราก็เข้าไปเห็นว่า เออก่อนเรามีความสุขเนี่ยนะเราไปคิดก่อนบวมาพันศาแรกเอาขยะไปทิ้งเวียงขยะลงไปตัวเกือบร่วงไปกระถังขยะด้วยแล้วก็ยั้งตัวได้พอดีแล้วก็เลยนึกว่าเออเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ให้าเพื่อนฟังนะคงจะนั่งขำกันนะ อ, อถ้าตกลงไปใหลุมขยะคงจะเละหมดเลย นึกแค่นี้เราดีใจขึ้นมาทันเดีมีความพอใจนะยิ้มอยู่ในใจนะด้วยการที่เราคอยตัดควา ม, วามรู้สึกพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาเราก็พอใจเกิดแล้วปุ๊บรีบวางเราก็เลยมาสงสัยไอ้ความพอใจโผล่มาได้ยังไงมองสาวไปดูอ๋อมากี้เราคิดว่าเราจะไปคุยเรื่องนี้กับพระเพื่อนด้วยกันฟังแล้วจะได้สนุกสนานกันแค่เนี้ยพอใจเกิดปั๊บ เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้าความคิดไม่มีเนี่ยสุขทุกข์จะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงก็เลยเริ่มตัดความคิดทิง้งไงพอรู้แล้วว่าเหตุเกิดของสุขทุกข์ไอ้นี่มาก่อนคิดก่อนนะนั้นเรามีความที่ต้องการความไม่เนิ่นช้าคืออยากให้มันเร็วขึ้นดับทุกข์เร็วขึ้นเร็วขึ้นทาให้เราสาวสายปฏิจจสุวรรดโดยไม่รู้ตัว และทําให้ตรงแนวทางกับหลักการของพระเจ้าคือความไม่เนิ่นช้านะเราคิดอยู่ตลอดนะทำยังไงจะดับทุกข์ได้เร็วกว่า น, นี้เพราะนั้นเราพิจารณาสุภะแล้วเราก็ดับทุกข์ได้ได้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่พอใจเฮ้ยยังช้าอยู่ถ้ากําลังพิจารณาสุภะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วตายไปขนาดนั้นทํำยังไงละ่ะใช่ไหมโอ้ยังไม่ได้น่าจะมีอะไรที่เร็วกว่า น, นั้นเราก็ขวนขวายตะ ก, กายมีอะไรเร็วกว่า น, นั้นไหติี่ปุ๊บ ดับได้เลยมาเจอสุขทุกเจอสุขทุกดับอย่งางใช่ยังไม่ทันใจไม่เจอเอะจิตสุขโผล่ขึ้นมาได้งไงโอ้ไปเห็นความคิดมันเดินก่อนเห็นมไหมขณะที่ความคิดมันแล่นไปป๊บเดียวขนาดนั้นขาดสติ น, นะเผลอเพลิลนไปกับความคิดปั๊บสุขเวทนาเกิดขึ้นเลยเนี่ยจิกเดียวเนี่ยเห็นนะนั้นเราก็มานั่งตัดความคิดอีกคิดเกิดมาปุ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊ ง, งทิ้งตลอดก็มาทิ้งความคิดเพราะฉะนั้น มากวิธีเดินมาจากเหตุผลทั้งนั้นเพราะนั้นพออาตมามาสอนโยมทิ้งความคิดโยมก็ทิ้งทำไมทิ้งแล้วได้ประโยชน์อะไรเพราะโยมยังไม่ได้ไล่สเต็ปอย่างนี้มาโยมก็จะหาเหตุผลไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งอธิบายกันเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้นะอย่างนี้นะใช่ไม้มแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้เลยแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยอย่างเนี้ยอืม เพราะนั้นปฏิปทาของอหลวงตามหมาบัวก็เป็นปฏิปทาที่เรียกว่าสุดยอดลงหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนกับในวัดท่านเนี่ยจะไม่มีการก่อสร้างเลยนะน้องประพง์เนี่ยเดี๋ยวนี้เน้นก่อสร้างส่วนวัดหลวงตามหมาบัวท่านบอกว่าตะปูตัวเดียวท่านก็ไม่ให้พระตอกห้ามพระทําการก่อสร้างตกลงแล้วของใครถูกน้องประพงถูกหรือวัดป่าบ้านตาถูก กลับมาดูพระศาสดาตัดอย่างไรต้องบอกว่าเหตุเสริมของพิสุ7์เจประการก่อสร้างคุยนอนกลุกคลีปัตนาเร็วคบมิตรชั่วหยุดเลิกสินในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยเอาศาสดามาตัดสินเป็นเกณฑ์เห็นนะจบของหลวงตาโอเคถูกต้องคือในข้อที่หนึ่งห้ามก่อสร้างอย่าเอาพระไปทำงานก่อสร้างจะมีแต่เหตุเสริมทั้งนั้นมเพราะนั้นตายมากี่องค์แล้ว นพระยังชื่นชมโอ้ตายในหน้าที่นะโอ้โหอตาตมาฟังแล้วเศร้าใจมากตายในหน้าที่นะเออถ้าเดินจงกรมขาหักตายตกบอร์อา้าวโอเคตายในหน้าที่จริงจริงนะอตาตมาจะช่วยสรรเสริญแต่ลื่นสไลด์ตกมาจากหลังคาแล้วตายเนี่ยแม่มันไม่ตายในหน้าที่เลยมันผิดหน้าที่นะนะอืมเยอะตายเยอะมากนะก็ไม่เข็ดกันนะเรื่องทํางานก่อสร้างนี่อืม ไปนะครับผู้ถามเขาเรียนถามจากคำถามสุดท้ายของโยมแจงที่ถามว่าการไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆและพระอาจารย์ได้กรุณาให้คําชี้แจงแล้วนั้นแต่เนื่องในวันเสาร์ที่5มีนายนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงสมศพหลวงตา ม, มหาบัวผู้ทําในฐานะคารวาะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจริงๆและผู้ถามกับกลุ่มเพื่อนๆนัดกันกจะขึ้นไปวัดป่าบ้านตาดแต่มีพอมีคอส์สพระอาจารย์ผู้ถามเรือกที่จะอยู่ปฏิบัติทําให้ผู้ถามโดนเพื่อนๆว่า ทำไม่ถูกต้องขอพระอาจารย์ชิดได้โปรดชี้แนะด้วยครับอ๋อหลวงตาสั่งไว้เนี่ยใครเคยอ่านหลวงตาสั่งว่าไงตายเช้าเผาเย็นไม่ใช่หรอแล้วเก็บไว้ทำไมเนี่ยเห็นป่ะนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงยังรู้เลยเนหะ็นไหอ่แล้วแล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำไหมไม่ทำดูท่านทุท่าดิาดาปุ๊บเผาเลย นายกไปถ้าไม่ทันนะใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่เพราะนั้นโยมต้องไปตอนท่านอยู่นะไปถามธรรมะท่านไปคุยไปสนทนาไปปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างนี้นะเรื่องตายเนี่ยโอ้ยหลวงปู่ม่านอะ่ะไปเอาว้เผาไม่ใช่เรื่องน่าสนใจน ะ, ะตายแล้วตายไปนะคนอยู่ปฏิบัติไปปฏิบัติไป พระอนนท์ถามว่าจะทํำยังไงกะพระสลีละของผู้เจ้าเมื่อตายไปเลยผู้เจ้าบอกไงอานนท์อย่าสนใจไปปฏิบัติเถอะนะเดี๋ยวพวกข้าพเดีที่เขาศรัทธาตถาคตก็จัดการเองยังไล่พระอนนท์ไม่สนใจเลยอย่ามายุ่งไม่ต้องสนใจนะปล่อยตายไปไม่เป็นไรเธอไปปฏิบัติทำเถอะนะพระอนนท์ยังไปขอขอกระแสะถามอีกแล้วถ้าพวกข้าพเดีเข้ามาถามข้าพระองค์ว่า แล้วจะทํายังไงกับพระศพของผู้เจ้าเขาบอกจะตอบเขาอยังไงดีอ่าผู้เจ้าก็เลยตอบนะอืมก็เลยอกอ่ะให้ทําอย่างนี้นะเหมือนเขาทํากับพระหมหาจากักรพรรดิเอาผ้าสัมีพันด้วยน้ํามันอะไรเนี่ยพันกี่รอบห้าร้อยรอบเลยนะใส่ลงในล่างเหล็กนัน้นน้ํามันอะไรผู้เจ้าก็อธิบายหมดนะนี่อย่างนี้พระนวลหัวดีไหมพระยาตืนะ้นนะพระนวลในลูกตื้นนะอืม เพราะนั้นอันนี้ใครสะดวกก็ไปใครไม่สะดวกก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าเหรอไม่มีพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องพระาธาตุเลยนะใช่ใช่ใช่ทำยังไงกระสบแค่นั้นเอง จะเผายังไงจะสลายร่างนี้ยังไงนะแต่ไม่เคยพูดเรื่องพระธาตุนะเพราะนั้นเรื่องพระธาตุนี่เรามาพูดกันเองทีหลังนะดัะนั้นพระธาตุก็คือเนี่ยร่างกำก่าของท่านที่ท่านทิงนะทนนท้งแล้วนะท่านโยนทิ้งแล้วทันละแล้วอันนี้ก็คือดินน้ำไฟลมนะเรื่องพระธาตุนี่โอเป็นอะไรที่นะ่านมาก <Okay. S 2> เค ย, ยอ่านในหงืออรนะนกเรื่นิดหนอ่านในหนังสืออาจารย์บ้านนะคะแล้ท่านไปดงแล้วก็เดินกันสแล้วท่านไปทุดงแล้วทีนี้ท่านก็เดินไปในป่าแล้วก็มีมีพระธาตมีเดีย์ลก ล, ล้างแล้วท่านก็ปักบทอยู่แถวนั้นแล้วเสร็จกัางคืนท่านก็เห็นว่า มีแสงลอยออกไปแล้วก็ลอยเข้ามาออือท่านก็เลยคิดว่าอ๋อในนี้ต้องมีพระพนมสารีริกท่าแน่เลยก็เลยจัดการรื้อแล้วก็ทาําความสะอาดก็เป็นพระธาตุพนมออืออสแสดงว่าถึงสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พรุทธเจ้าทิ้งแล้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ อ, อันนี้คืออะไรรอ กบทวนะก็ค ah. ือผู้เจ้าบอกอย่างนี้ว่าเรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากอย่าไปตามรู้อย่าไปตามสนใจนะการไปตามรู้เรื่องโลกเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเป็นบ้าวิปรัชต์หนึ่งในอจินไตนะวิสัยของผู้เจ้าวิสัยผู้ได้ฌานวิบาศของกรรมเรื่องของโลกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจ ผู้จ้าเนี่ยจะพยายามตัดตัดประเด็นไปนเลยแล้วเอาบริษัทเข้ามาแทนเจ้าประมาท เ, เหมือนบรุษถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษหมอจะมาทําการผ่าตัดอีกไม่กี่ชั่วโมงจะตายไอ้บรุษคนนี้ดันไปถามว่าลูกดอกแนี่ยทำด้วยอะไรไม้อะไรคนยิงชื่ออะไรอยู่ที่ไหนญาติมีกี่คนก็พอดีตายก่อนนี่ผู้จ้างประมาทขนาดนี้ถ้ายมไปตามรู้เรื่องพวกนี้ไม่จบ เทวดาจะมาแสงสว่างจะเขียวจะเหลืองจะอะไรไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราหลุดพ้นนะแล้วพูะเจ้ายังบอกว่าขันธ์ธาตุอายตนะมีประมาณเท่าใดขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดนั้นต้องปล่อยวางหมดเลยยึดถือไม่ได้โยมยึดถือพระธาตุโยมก็มาเกิดกับพระธาตุนี่แหละนะการเกิดจะมีขึ้นไปดูเพระสูตรหนึ่ง พระพุทธ้าบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดอยู่ดํามรีถึงสิ่งใดอยู่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ ญ, ญาณเป็นไงละ่ะเมื่อวิ ญ, ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปจะมีเมื่อการปรากฏขึ้นของนามรูปมีพบก็มีชาติชราโมณะจะมีตามมาโยมจะหลุดพ้นไม่ได้ปฏิจจสะเกิดขึ้นทันทีเห็นไหม นั้นจะเป็นพระาธาตุเป็นเครื่องรางของขลังลายะยมยึดไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งผู้เจ้าจึงไม่พูดไม่มีโลโก้แทนผู้เจ้าไม่มีใครเป็นเป็นคนแทนผู้เจ้านะมอบสืบต่อมาระดกอะไรไม่มีตัดเลยจบที่ผู้เจ้าเข้าใจไหมไม่ให้มีการยึดถือต่อและกายนี้คือกรรมเก่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นความเป็นพระหลานไม่ใช่เป็นผระหลานที่ก้อนกายนี้ เป็นพลานที่จิตของท่านก้อนกายนี้คือธาตุในโลกมหาปุตตะธาสี่ธาตุก็คือธาตุอย่าไปสนใจอะไรกับธาตุที่เป็นธาตุแค่นั้นเองนะและไม่มีใครจะประกันได้ว่านี่ของจริงของปลอมของอะไรอย่างนี้นะตั้งแต่โบราณปักรนานมาหลังจากพระพุทธเจ้าสิ้นก็มีเรื่องว่าแบ่งพระมหากระัตรใช่ก็แบ่งกันไปแบ่ง เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากเลยก็เลยดูว่าเอ๊หรือท่านสั่งไว้เป็นสิ่ง<ล>ที่เกิดหลังผู้เจ้าปริธานท้งนั้น<ๆ>ก็เป็นบทพิจนะาสาวกก็ไม่ต้องสนใจอ่าก็ขอให้ผู้ชมรายการพิาจะนาะเนี่ยอ่ามันเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สมเร็จสมความปรารถนาข้เหตุแห่งการสร้างสินที่ดี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 ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบกักบักมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายลก็ขอให้มีสุขภาพพารนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแเพื่อป่าลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาทําสมรุมรรคผลนิพพานกัน โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน